ท่าฟังที่กรบ ค, คะเราก็มาพบกับท่านเพยียบูนกันได้แล้วคะ่ะช่วงหลังจากที่ได้ปฏิบัติธรรมกันมาตามสมควรแล้วกับพระมาชาคะวโรในรายการสนท น, น, นานี่แหละนะคะกราบ น, นวัฒการกับท่านเพยียบูคนค่ะเตือนพานค่ะพระเพียบูนอภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศุดรธานีคะ่ะเมื่อวานนี้ก็ได้สนทนากับท่านบางเรื่องในอย่างค้างอยู่แต่ว่าก่อนจะไปถึงเรื่องที่ค้างไว้นี่นะคะอยากจะให้ท่านได้พูดถึง ในส่วนของพุทธชยันต์ปีออพูดถึงพระพุทธองค์ของเรากันก่อนคะ่ะได้ความมหัศจรรย์ในอย่างหนึ่งที่เกิดมีเพราะมีพระพุทธเจ้าของเราขึ้นมาเนี่ยคือความที่เมื่อโลกทั้งโลกเนี่ยออกําลังกลุ่มรุมอยู่ในเรื่องของการมคุณโอ้ดีโทรศัพท์รุ่นใหม่ดีอะไรต่างๆเนี้ยน ะ, ะพอมีพระพุทธเจ้ามาพูดเรื่องทวนกระแสก็ยังมีคนฟังนะ หรือว่าโลกทั้งโลกกําลังมึนตึงกับเรื่องอวิชชาโอ้ยอะไรม่รู้จะทำยังไงอะไรไงพอพระพุทธเจ้าพูดถึงเรื่องความรู้ยิ่งความรู้พร้อมนิพพานก็มีคนฟัง <Okay. S 1> อย่างนี้นะโลกกําลังไหลไปตามตัณหาพอพระพุทธเจ้าพูดถึงเรื่องทวนกระแสะก็ยังมีคนฟังอื <Okay. S 1> อันนี้ที่พูดตรงนี้เนี่ยเป็นในเรื่องของพุทธเจนตีเนี่ยเพราะว่ามันจะมา飒คร้องกับประเด็นที่คุณโยมติวได้อพูดถึงเมื่อวานนี้ประเด็ี <Okay. S 1> ที่ว่าอเรา พูดอะไรคนนี้นก็คุยเล่นกุยตลกโปกฮ้ากันไปอย่างเงี้ยเราพูดเป็นธรรมะปุ๊บนี่เขาอึ้งกันไปเลยใช่ไหมอ่าตรงเนี้ยเป็นความอัศจรรย์ที่เกิดมีเพราะว่ามีบริจาคขึ้นว่า เ, เราพูดไปเนี่ยเขาก็ฟังนะนึกออกไหมเอะเขาเขานิ่งเนี่ยเพราะเขาโอ้โหต้องใคร่ครวญ น, นะมันลึกนะโอ้โหมีมุกนี้ได้ยังไงมุกธรรมะแล้วเนี่ยนั่น<อ> <laughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยการทวนกระแสตรงนี้คุณโยมติ๋วเป็นเรื่องมหาสจรย์แล้วที่เกิดมีขึ้นมาเพราะมีสมาสัมปุระชาของเราน <Okay. S 1> นั้นแล้วก็เวลาที่คนหนึ่งเขาเขาจะดึงไปตามกระแสเนี่ยเราทวนกระแสเหนือไหมทวนกระแสของกิเลสตัณหาเราไม่ใช่ตัวประหลาดนะเพราะว่ายังมีคนฟังเ <Okay. S 1> หนือไหมถ้าไม่งั้นพระุทธาก็จะเป็นตัวประหลาดสิคนหนึ่งเขาทรมานกายกาันเขาอิ่มเอมบด้วยการบุณกันพระพุทธเจ้าบอกอืไม่เอาทั้งสองทางเอาทางสายกลาง <Okay. S 1> อย่างเงี้ย จำเป็นควรอาจจะบอกว่าอืมค่ะนีมนุ์ท่านตอค่ะทีนี้ว่าเราเราก็เลยต้องมาดูตรงนี้ว่าอา่างั้นเราจะเอาเกณฑ์อะไรมาในการวิเคราะห์ในการประพฤติปฏิบัติใช่ไหม <c oughs> ก็ต้องเอาเพื่อไปความรู้ยิง่งความรู้พร้อมควา ม, มานิตรพันความดับนะเพื่อเป็นไปเพื่อที่จะความคลายกำหนัดตรงนี้นะั่งพูดเรื่องเนี้โอ้ออใครใครก็ฟังค่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วพอเราเป็นผู้กล่าวทำอยู่เรื่อยๆคุณโยมติว๋วชื่อเสีย ง, งเราเนี่ยจะขจรกระจายไป <c oughs> นะืว่าเราเป็นผู้กล่าวทํา เป็นธรรมวารีผู้กล่าวธรรมนะไปอยู่ที่ไหนเราก็ไม่ต้องกลัวอะไรเพราะว่าเพราะว่าเราเรากล่าวธรรมนี่เนาะเราไม่ได้คุย <Okay. S 1> เล่นนะเราก็จะมีชื่อเสียงว่าเอาเราไม่ได้คุยเล่นลคนที่พูดเปอเจออยู่เรื่อยๆเนี่ยสิ่งที่เขาจะได้รับเนี่ยคือวาจาที่ไม่มีใครเชื่อนะ <Okay. S 1> อเพราะฉะนั้นเราไม่พูดเล่นคนอื่นเขาก็จะเชื่อวาจาของเราอยู่เรื่อยๆ <Okay. S 1> อ, อย่างนี้นะการว่ายุ่งมีประโยชน์มากนะคุณยมติ๋ว ค่ะมีมประโยชน์ค่ะแต่คล้ายๆเราอาจจะต้องเลือกจังหวะพูดใช่ไหมคะมใช่ใช่ใช่อันนี้ต้องรู้จักการแน่นอนใช่ครั บ, บางทีถ้าเราไปพูดมันผิดจังหวะเนี่ยมันก็อาจจะจะไม่ได้ผลอย่างที่ท่านพูดแต่อะไรก็ตามดิ้นเชื่อนะคะว่ามาถึงวันนี้ดำเนินชีวิตมาด้วยการพูดเพื่อที่จะบอกว่าเราคิดอะไรต้องการอะไร สื่อสารอะไรทั้งที่พูดในชีวิตส่วนตัวแล้วก็ทั้งประกอบอาชีพด้วยนะนะคะใช่พอนั้ได้มารู้จักธรรมะของพระพุทธองค์มากเข้าอันนี้ก็เรียนท่านุ่งฟังทั้งหลายและท่าอาจารย์ด้วยว่ามีความรู้สึกว่าชีวิตเรามืนเหลือน้อยลงทุกวันถ้าจะไปพูดในสิ่งที่มันเหลวไหลฟุ่งเฟือยเนี่ยไม่ค่อยอยากพูดแล้วพอชีิเวลาชิเวลาค่ะนะคะอันนี้มันก็เกิดความรู้สึกว่าอืทํายังไงเราถึงจะพูดแต่ในสิ่งที่เป็นสาระกับคนจํานวนมากอย่างนี้นะคะ่ะ ทีนี้ว่าะะประเด็นประเด็นหนึ่งตรงที่ว่าพระเจ้าพูดถึงว่าถ้าสิ่งไหนถูกต้องนะเป็นจริงนะแล้วก็เป็นประโยชน์นะเป็นทําเป็นวินยัยแล้วก็ไม่ถูกใจผู้ฟังเนี่ยเราต้องรู้จักกาละ ท, ที่จะพูดหรือแม้พูดไปแล้วจะถูกใจผู้ฟังเนี่ยเราก็ต้องรู้จักกาละที่จะพูดอันนี้พระเจ้าเคยบอกไว้เป็นเรื่องของสมาปชาด้วยะะซึ่งถ้าท่านศึกษาวิธีการพูดของพระพุทธเจ้าแล้วจะมีความรู้สึกว่าโหสุดยอดอืถ้าทําได้ตามท่านนี่ เราจะเป็นคนที่พูดแล้วมันศักดิก์สิทธิ์ทุกครั้งใช่ใช่ฉัว่าอย่างนั้นเป็นป ฏ, ปฏิหารอย่างหนึ่งพ่อเาค่ะก็สรุปแล้วก็คือว่าศึกษาไปเยอะๆเราจะหาจังหวะในการพูดได้เองใช่ใชค่ะทีนี้มาถึงตอนที่ค้างไว้เมื่อวานที่ท่านอยากจะพูดก็คือเรื่องนี้ถูกไหมคะใช่ใชเรื่องนี้แหละที่ว่าเราจะพูดยังไงในลักษณะที่ว่าเออเราก็เข้ากับสังคมได้ใช่ไหมเราก็ ดูจังหวะให้ถูกต้องอย่างเงี้ยเราก็พูดเรื่องธรรมะเนี่ยถูกต้องแล้วเป็นเรื่องตัวกระแสค่ะทีนี้มาถึงต่อไปคือเรื่องที่ดิฉันจะกลับไปถามท่านนะคะเกี่ยวกับคล้ายๆอย่างที่เมื่อวานเหมือนกันคือเป็นประเด็นที่ในโลกธุรกิจทุกวันนี้หรือแม้แต่กระทั่งราชการเนี่ยนะคะก็มีความเชื่อว่าในเมื่อองค์กรจะต้องเกี่ยวข้องกับคนคือคนเนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญของสังคม เพราะคนเนี่ยมันถึงมีสิ่งนั้นสิ่งนี้เกิดขึ้นหรือมีการทำลายสิ่งนั้นสิ่งนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะคะอะ่มันจึงมีเขาเรียกว่าวิธีการทางการบริหารองค์กรสัมพันธ์กับประชาชนชุมชนเนี่ย<อ>เขาเรียกว่าเป็น CSR โซเชียนะ CorporateSocialResponsibility <อ>นะคะก็คืออ่าเป็นภาษาไทยที่ที่ก็ไม่รู้เขาใช้อะไรนะ รู้แต่ว่ามันเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรนั้นๆอืนแล้วก็เข้าใจว่าบริบทของมันเนี่ยไม่เพียงแต่มองออกไปนอกองคอ์กรบบางคนก็บอกว่าทําเนี่ยก็ทําเพื่อชื่อเสียงขององค์กรตัวเองลงทุนไปก็เหมือนโฆษณานั่นแหละอืมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้มุ่งเน้นแค่ให้คุณโฆษณาตัวเองแต่มันต้องทําจริงๆและชุมชนได้ประโยชน์จริงๆเหมือนกับว่ามีความจริงใจมีความตั้งใจที่จะทําสิ่งดีๆให้อืแล้วก็ยังรวมถึง อย่าละเลยคนข้างหลังคือคนในองค์กรของตัวท่านเองนะคนพวกนี้เขาจะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีจากการบริหารองค์กรของคุณด้วยอะไรอย่างนี้นค่ะใช่ใชค่ะก็ก็ดีเป็นการเอื้อเฟือ้อคือกลุ่กันเนา ะ, ะแล้วก็ถ้าทําเป็นก็เรียกว่าระบบใหญ่ในระบบองค์กรก็คิดว่าอาตมาว่าดีมากค่ะเอแล้วก็ถ้าทําไม่ได้ทําเพื่อหน้าตาอย่างที่คุณโยมติ๋วบอกทาให้บริได้ประโยชน์จริงๆเนี่ย น, นะนี้ก็ถูกต้องทีนี้มามองถึงคุณธรรมที่อยู่เบื้องหลัง ที่ถ้าจะพูดให้ตรงกับรายการของเราก็คือว่าตรงกับพุทธวจนะของพระาศาสดาในบทใดท่านตรัสไว้อย่างไรหรือไม่คะหรือว่ามาก่อนไม่มีองค์กรอย่างนี้เลยไม่มีตรัสไว้บริษัเคยพูดถึงกษัตริยนะ์ในกษัตริย์นี่ก็เป็นองค์กรนะคือเกิดระบบบริหารราชการบ้านเมืองใช่ไหม <c oughs> เราก็าไม่ได้เก็บสวยอย่างเดียวนะแต่คุณเก็บสวยมาเนี่ยคุณเก็บสวยมาคุณค้าขายมานะคุณก็ต้องมาให้ทานอธิษฐา น, นรราบิณฑิกาเสตีนะเป็นนักธุรกิจใหญ่สมัยก่อนนะ <c oughs> ค้าขายระหว่างเมือง ทำยงไงก็มีเสียสารของทําเหมือนกันนะมาจากแจกทานนะทำจริจริงๆย่ง จ, ง, จงด้วยไม่ใช่แค่ว่าทําเพื่อเอาหน้านะประชจ้าพิมพิสารนะก็แจกทานนะให้ประชาชนทั่วไปได้รับประโยชน์นี่ก็มีนะ ก, ก็มีเป็นตัวอย่างคุณธรรมที่เกิดขึ้นก็คือว่าเป็นผู้ให้ทานนะผู้นะให้ทานเนี่ยหนึ่งในคุณสมบัติหนึ่งในอันที่2ที่จะได้คือชื่อเสียงก็เ ข, ข, ข, ขาจอนกระจายไปละ ว, ว่าผู้ น, นี้เป็นผู้ให้ทาน แล้วก็ไปที่ไหนเขาก็ไม่ครั่นครามแหละบริษัทเราก็มีชื่อแล้วก็ไปที่ไหนเราก็สบายใจแล้วก็พูดเรื่องนี้ได้อย่างเงี้ยน ะ, ะนอกจากนี้การทำอย่างนี้ก็จะทำให้ช่วยคลายทุกข์ไปได้บ้างนะของคนที่เขามีทุกข์อยู่เช่น ว, ว่าเราให้อาหารอย่างเงี้ยก็ช่วยเขารอบไปได้มื้อหนึ่งวันหนึ่งอย่างเงี้ยจ ะ, ะเป็นสิ่งดีน ะ, ะทีนี้ว่าตรงนีนะ้ก็ต้องทำด้วยใจบริสุทธินะ ไม่ได้ทําพืนหน้าตาแล้วก็ <Okay. S 1> ทีนี้เราก็ต้องดูในองค์กรของเราด้วยนะว่าการปรหิหารการจัดการองค์กรของเราทำถูกต้องไหมนะทิศเรื่องของลูกน้องคุณทําหน้าที่ของเจ้านายถูกต้องไหมนะ <Okay. S 1> คือส่วนใหญ่แผคคลก็จะพยายามที่จะประหยัดมงดประมาณมากที่สุดเพ <Okay. S 1> ื่อยังไงให้ได้บริษัทเนี่ยประหยัดเงิงนมากที่สุดเ <Okay. S 1> <c oughs> นี่ก็จะมีลักษณะนั้นก็มีในบริษัทที่ดีๆก็มีนะอค่ะ okay. คือมันก็ มีหลายแบบนะคะเดี๋ยวนี้ดิฉันเข้าใจว่ามันก็น่าจะมีบริษัทที่ดีๆเนเกิดขึ้นเยอะเพราะมันเป็นค่านิยมแลม้วมเหมือนกับว่ามันไม่เป็นค่านิยมที่เป็นนามธรรมลอยๆสำหรับผลที่ได้เลยนะคะบันทีผลที่ได้เนี่ยมันอาจจะเกี่ยวเนื่องกับการเป็นองค์กรที่ดีซึ่งมีคนอยากคบค้าด้วยมีชื่อเสียงกระาจายไปไม่โดนปฏิเสธเพราะอย่าง ยกตัวอย่างสมมุติการไปใช้แรงงานเด็กอะไรอย่างเงี้ยเราจะเห็นเลยนะเขามันจะโดนต่อต้านมันมีซื้อสินค้าของประเทศนี้นะที่ยังปล่อยให้มีการใช้แรงงานเด็กหรื อ, อขององค์กรนี้นะอะไรอย่างเงี้ยใช่เป็นถ้าถ้าทำนะคุณเห็นได้ประโยชน์อันเนี้ยมันก็เห็นด้วยดีนะการเป็นการเกื้อกูลกันมีไม่ตาง ก, กันค่ะก็เท่ากับว่าเรื่องทานนี่ก็เป็นหลักอยู่ดีถูกไหมคะคล้ายๆกับเรื่องกิจอาสาที่พูดเมื่อวานนี้ใช่แล้วก็ยังเป็นเรื่องของการ บริหารคนรอบข้างที่อยู่ในทิศหกใช่ไหมคะที่ท่านพูดเมื่อสักครู่ดิฉันจับประเด็นอย่างนั้นหรือป่าแล้วถ้าเราอให้ให้พนักงานของเรามามีส่วนร่วมด้วยนะให้พนักงานมีจิตอาสาด้วยนี่ก็ได้ประโยชน์สองต่อเลยพนักงานเราก็ได้ด้วยอืตอนช่วงน้ําท่วมที่ผ่านมันเนี่ยมันเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าจะมีองค์กรในลักษณะนี้นี่ปรากฏออกมาให้เราเห็นซึ่งแหมมันชื่นใจมันอยากกินของบริษัทนี้มันอยากใช้ของบริษัทนี้น่ะ ก็มีส่วนเนอะใช่ใช่ใชค่ะท่านคะทีนีอ้อย่างกับกรณีฐานเนี่ยคะ่ะอืมเดลมาเพื่อที่จะให้คนที่เขากำลังทำหน้าที่รับผิดชอบสังคมหรือว่าเป็นจีนอาสาเนี่ยเกิดความรู้สึกให้ชัดเจนมากขึ้นวู่ที่ท่านพูดไปในแต่เมื่อคืนนี้ไอเมื่อวานนี้ที่ว่าะจะเกื้อกูลต่อการเจริญในมัรคถูกไหมคะ ม, มารจะเป็นของทานการพ้นทุกเนี่ยใช่ทีนี้ตัวของทานเองใช่ไคะ ตัวของทานเอที่ท่านบอกว่าเนี่ยอันที่สงคือชื่อเสียงกระจรกระจายในกรณีขององค์ก ร, รแล้วก็ไปที่ไหนไม่คลั่นคราบอันนี้เป็นพุทธวจะนะเลยใช่ไหมคะใช่ถ้าจะพูดถึงอันที่สงการถวายทานคนายพระเจ้า<ช>พูดถึงว่าผู้ที่ให้ทานเนี่ยย่อมเป็นที่รักของที่รักที่ชอบใจของชนเป็นิ่นมากคอืคอชื่อหมายถึงว่าคนอื่นก็จะรักเราอย่างที่คุณโยมดีว่า เ, าเขาก็จะซื้อของเราอะไรอย่างนี้น ะ, ะแต่ข้อที่สองคือสัตบุรุษผู้สงบเนี่ยย่อมคบหาทายกผู้ไหก แปลถ้าเราให้เนี่ยคนดีก็จะมาคบกับเราสัตว์บุรุษผู้สงบใช่แต่ว่าอะไรคะเ น, นี่ยคือแปลงว่าคนดีไง อ, อ๋อค่ะคือย่อมคบหาใช่เราทําดีเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับแม่เหล็กดึงดูดคนดีเข้ามาหาเราในชีวิตเราค่ะเมื่อสักครู่นี้ต่อจากว่าสัตว์บุรุษผู้สงบย่อมคบหาอะไรนะคะย่อมคบหาทายกผู้ให้ใคือผู้ให้นี่แหละ อ, อ๋อค่ะ อ ย, อย่างเวลาเราไปช่วยงานกันอย่างเช่นช่วงน้ำท่วมไปตักถุงทรายเนี่ยคุณเ่อแต่คนดีๆของนั้นเลยคนนี้ก็ช่วยกันคนนี้พวกนี้คนดีเท่านั้นคบกันเลยดีมากเลยออืสัตบุตรเนี่ยนี่คือสัตบุตรก็จะได้เพื่อนที่ดีเพิ่มขึ้นใช่ข้อที่สามก็คือกิติศัพท์ของอกิติศัพท์อันงามของผู้ให้ย่อมขจรไปคแต่ชื่อเสียงเราก็ขจรกระจายไปลคะคแล้วก็เข้าไปสู่บริษัทไหนเนี่ยก็เป็นผู้องค์าอาจไม่คลั่งครา ม, ค, มคือเราก็แบบมีความมั่นใจนะ แล้วก็ถ้าตายไปคุณก็ไปสวรรค์เพราะนั้นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เซ็นอนุมัติช่วยๆนะคุณมีสิทธิ์ไปสวรรค์ได้เซ็นอนุมัติลยไรท่านครับเซ็นอนุมัติว่าให้ทำโครงการนั้นโครงการนี้นะขอโครงการดีๆใช่ไหมใช่ตายไปจะไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้ใช่นี่คืออนิสงส์แห่งการทำคอเปรต โซ r e ี p o n s i b i l i t y อันนี้นะเป็ น, ปนสูตรที่พระเจ้าได้ตรัสกับสิหเศนมดีแล้วก็สิหเศนมดีนี่ขอไปการุทยัยอม ร, รเออเ์เป็นเพื่อนของพระองค์นี่แหละตอนสมัยที่ยังยังไม่ได้บวชแล้วก็เป็นอมร์อยู่นะเป็นคนที่คอยอานวยการใน เ, เมืองกบิลพัทใช่ไหมพอได้คุยเรื่องนี้กันเสร็จแล้วเนี่ยการุทยัยอมร์นี่ก็บอกว่าสี่ข้อแรกนี่เห็นด้วยมากเพราะว่า ประสบได้ด้วยตัวเองแต่ข้อสุดท้ายนี่ยังไม่เห็นยังไม่รู้เนี่ยต้องขอไปพิสูจน์ก่อนว่างนั้นแต่พุทธเจ้าก็เออดีแล้วออลไปพิสูจน์ก็เป็นเรื่องที่ดีเธอควรทำสาธุาค่ะ ส, สี่ข้อไม่เห็นแล้วไปพิสูจน์ยังไงคดีฉันไม่เข้าใจไปถึงว่าสี่ข้อแรกเนี่ยเห็นอยู่แล้วใช่ไหมพี่แต่ข้อที่ห้าเนี่ยยังไม่รู้ยังไม่เห็นก็จะต้องไปพิสูจน์ก่อนนี่ยก็คือรอให้จังหวัดที่เขาตายไปก่อนเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าเขาไปสวรรค์จริงไหมอ๋อคือเหมือนกับว่า พิสูจน์นั่นคือให้ให้ลองไปตายจริงๆสิแล้วจะรู้เออไม่ไม่ได้พูดอย่างนั้นนะเพียงแต่ว่าเห็นด้วยว่าคุณควรจะพิสูจน์คําสอนของพระุทธเจ้าอ๋อค่ะค่ะน่าจะมีรายละเอียดเล็ก ๆ, ๆน้อยๆอย่างนี้แหละค่ะแต่ว่าเป็นรายละเอียดที่น่าสนใจนะคะเพราะว่ามันดูเหมือนกับว่าให้กําลังใจกับคนที่ทําดีเนี่ยมีความรู้สึกว่ายิงตืนนัดเดียวได้นกตั้งหลายตัวถึกต่างถึกต่างค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าจะให้ ทิ้งท้ายในการทําสมมุติว่าทำ <c oughs> ศีลสาที่ดีที่สุดนอกเหนือจากที่ได้พูดถึงไปแล้วนี่ท่านว่าน่าจะเติมอะไรเข้าไปอีกบ้างไหมคะถ้าตามพุทโธจนะเนี่ยอธ ม, มาก็คิดว่าควรจะต้องอพระพุทธเจ้าพูดเคยพูดถึงการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งบวงในะคุณ <c oughs> ให้สิ่งนั้นสิ่งนี้ให้สิ่งของไปทำประโยชน์อะอต่างๆก็ดีด้วยนะแล้วก็แฝงธรรมะเข้าไปด้วยนะ <c oughs> จะมีการมอบธรรมะให้นะไม่ว่าจะเป็นการหนังสือหรือว่า ซื้อสิ่งพิมพ์หรือว่าอะไรเรื่องราวที่เกี่ยวกับธรรมะนี่ก็จะเป็นเป็นเป็นการดีละ่ะนค่ะหรือว่าจัดกิจกรรมเลยให้รรคนปฏิบัติธรรมบ้างจัดกิจกรรมธรรมะอะไรจะเหมาะกับ อ, องค์กรคะเนี่ยท่านคะ่ะโอ้โห <พอ S 1> ดีดมีหลายอย่างมากนะชเช่นอิธิบาทสี่ก็ดีาการอดทนเรื่องทิศท้องหกนี่การปฏิบัติยังไงระหว่างเพื่อนร่วมงานนะเพื่อนดีเพื่อนชั่วดูยังไงโอ้นี่มีหลายอย่างทำไ ม, มคิดทำไมคิดว่าเราจะ มีความคิดเฉยๆนะว่าจะทำเรื่องเกี่ยวกับองค์กรวิธีธรรมคือใช้ธรรมะในองค์กรอจะทํำยังไงอย่างเป็นโครงการที่คิดเล่นๆอยู่ก็ยังไม่ได้เป็นรูปเป็นร่างอะไรก็ต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมอีกบ้างอยู่ดีเลยค่ะถ้าหากเกิดมีบริษัทไหนเนี่ยเขาฟังท่านพิบูอยู่ก็เลยสนใจในส่วนการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงเนี่ยจะปรึกษาท่านจะทํางไงดีคะติดต่อเพียวธรรมะได้ไหมคะได้ได้ได้ ะะท่านทั้งหลายก็ติดต่อไปที่เพียวธรรมะ .com/106 เลยนะคะขึ้นไปที่นั่นไปแชทกับพระอาจารย์ไพลิน <c oughs> จะทําโครงการอย่างไรดีโอ๋พอดีเลยค่ะเวลาให้ท่านได้พักในวันนี้แล้วเพราะว่าพอควรแก่เวลาสําหรับธรรมะที่ให้ในช่วงเวลาของรายการ ส, ามสัมมนาสนธนาเตือธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะโดยพระอาจารย์ไพลินอภิปุโนนะคะวันนี้กราบนมน ส, สการท่านค่ะเชิญพานร ะ, ะหว่างที่เท่านไพลินนี่ก็ ตรากตรมกับการที่เปิดหลักสูตรหลีกเรนติดกันสามหลักสูตรถึงแม้ตัวท่านเองบอกว่าเป็นผลดีกับตัวท่านเพื่อจะเกิดความละเอียดในจิตของท่านมากขึ้นอย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะมันก็ได้พบว่าแค่เราไปไม่กี่วันได้เห็นท่านทางานหนักจริงๆแล้วก็คิดว่าควรที่จะทนุถนอมสุขภาพของท่านแต่อไรก็ตาม ท่านก็ยังไม่ตาพวกเราอยู่เสนอนะคะถึงแน่ว่าจะยังไม่หายขาดก็ตามคเร า, าติดตามรับฟังท่านได้ต่อไปในวันพรุ่งนี้นะคะในรายการสันสุิสนานานี้สำหรับวันนี้เราก็ต้องลาท่านฟังที่ครบรบทุกท่านไปด้วยเวลาแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะพูดทวนสวัสดีค่ะ